เอาน่ายอย่าซสีเรียกเรื่องหลวงพ่อดูลายมือ<ว>มีคนจำนวนมากที่ต้องการจะอย่างรู้อนาคต บ้างก็ไม่สามารถจะอดทนรอสิ่งต่างๆเกิดขึ้นได้เองดังนั้นพวกเขาจึงต้องสะแสวงหาการบริการจากบรรดาร่างทรงและหมอดูหมอเดาวทั้งหลายจงอย่าได้เชื่อใจหมอดูกระจกกระจกเหล่านั้นเป็นอันขาดพระปฏิบัติมักจะได้รับการยกย่องว่าเป็นหมอดูชั้นยอด แต่ท่านก็ไม่ค่อยจะให้ความร่วมมือกับใครง่ายๆหรอกวันหนึ่งลูกศิษย์เก่าแก่ของหลวงพ่อชาได้กราบขอให้หลวงพ่อทานายอนาคตของเขาหลวงพ่อปฏิเสธพระที่ดีจะไม่ทำนายโชคชะตาหรอกแต่ลูกศิษย์คนนั้นมีความมุ่งมั่นมากเขากทบทวนให้หลวงพ่อระลึกว่ากี่ครั้งกี่หนแล้ว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 ที่จะไม่ทำนายอนาคตใครนั้นสักครั้งหนึ่งเอามือมาสิให้อาตมาดูลายมือโยมหน่อยลูกศิษย์คนนั้นตื่นเต้นมากหลวงพ่อไม่เคยดูลายมือให้ลูกศิษย์คนไหนมาก่อนเลยนี่เป็นกรณีพิเศษจริงๆยิ่งไปกว่านั้นใครๆก็นับถือหลวงพ่อว่าเป็นพระอรหันต์ผู้มีอิทธิฤทธิปาฏิหาร อะไรอะไรที่ท่านว่าจะเกิดขึ้นมันก็ต้องเกิดแน่นอนเลยว่ามันจะต้องเป็นจริงอย่างท่านว่าหลวงพ่อใช้นิ้วชี้ของท่านไล่ไปตามลายมือบนฝ่ามือของลูกศิษย์แล้วท่านก็พึมพำกับตัวท่านเองว่าอืูน่าสนใจจริงอืม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 ยมทราบยมทราบดีเออตกลงอนาคตโยมจะเป็นยังไงครับหลวงพ่อลูกศิษย์ถามอย่างตื่นเต้นสุดๆหลวงพ่อชาตอบว่าอนาคตของโยมนะรึก็ไม่แน่นอนนะสิและท่านก็ไม่ผิดจริงๆเสียด้วย